ก็คือขันตัวนี้เนี่ยแปลว่าแปล ว, ว่ากองว่างั้นเถอะศีละขันที่มีคุณมากเพราะฉะนั mm ้น hmm. ศีลละขันที่เป็นคุณนั้นศีลเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้กี่ดวงนะศีลเกิดร่วมกับจิตต้องถามก่อนว่าศีลคืออะไรอศ mm hmm. ีลคืออะไรก่อ น, mm hmm. น, นหนึ่งเจตนาศีลสอง mm hmm. เจตสิกศีล สามสังวรศีลสี่อวีติกมศีลเรียนไม่นานแลยเนะเคยฟังครั้งหนึ่งแล้วล่ะเอาทบทวนอีกนะเจตนาศีลได้แก่เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นนะเจตนาของผู้ตั้งใจงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้น และเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติมีอาจาริยวัตรเป็นต้นเรียกว่าเจตนาศีล น, น, นะคล้ายๆว่าเคยได้ยินนะศีลมี2 อ, อย่างคือเว้นกับปฏิบัตินั่นแนะหละฮัลเจตนาของบุคคลผู้เว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจบำเพ็ญกายยุจริตนะกายสุจริตก็คือการอ่ะ น, นะ กายกรรมเนี่ยถ้าเป็นพระเนเนเนี่ยก็ประพฤติวัดในครัอาจารย์เป็นต้นหรือถ้าเป็นลูกก็ทําไงดีรับแม่มาฟังทำอยางนี้ได้ไหมไ ด, ได้นะเออได้แล้วอาจารย์ก็บอกได้ได <laughs> ต้องได้แล้วเนาะนั่นแหละก็คือตั้งใจปฏิบัติบิดามารดาเป็นต้นนั่นแหละเป็นเจตนาศีลนะเจตนาของผู้ตั้งใจทํานะไม่ใช่สักแต่ว่าทําสักแต่ว่าก็ กุศลอาจจะสักไปว่าให้ผลเหมือนกันนะให้แบบิงพิงๆ่างทีนี้ต่อไปนะเจตสิกเจตสิก น, นมีอยู่2อย่างด้วยกันเจตสิกคือวีรตีศีกับมโนสุดเจตสวีรตีสมได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอชีวะอันนี้ก็เป็นเจตสิกสินเจตสิกสินะและเจตสิกสินอี ก, อก 3อย่างก็คืออาณาพิชาอัพยาปาทะและสมาธิติสมตัวนี้ก็เป็นเจตสิกสีลนะแต่เพิอีกอะไรศีกคือสังวรสีนสังวรมีกี่อย่างคะสังวรห้าอย่างหนึ่งปฏิโมขสังวรสองอินทรีสังวรหรือที่เรียกว่าสติสังวรสญยานะสังวร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 พลและจิตแล้วก็ถ้าธรรมดาก็เกิดร่วมกับมหากุศลพัพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีปัญญากำหนดศีลเหล่านี้นี่คุณยังไงอะนะเรียกว่าวิจัยเรื่องศีลได้อย่างละเอียดที่ดูนะพระองค์เนี่ยบัญญัติเรื่องศีลเป็นพระวินัยปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันทธรรมขันนะแล้วก็กำหนด สีรขันนั้นตัวศีนเนี่ยถ้าพูดแบบทั่วไปแล้วก็คือจตุ ป, ปริสุทธิสีนั่นแหละนะปฏิโมกขสังวรอินทรียสังวรอาชีวะปริสุทธิศีลแล้วก็ปัจจย ส, สันนิสิตศีลมีปัญญากําหนดสมาธิขันอันมีคุณมากกําหนดสมาธิขันเนี่ยสมาธิขันก็คือกองแห่งสมาธิกองแห่งสมาธิก็ต้องไปดูว่าเออหนทางวิธีการปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไร ก็ต้องนึกถึงเกศิสิบอสุภาสิตอนุสติสิบโอ้ไปสามสิบเลยนะสิบสามครั้งก็สาสิบใช่ไหมและอะไรอีกจะตุธาตัววัฏฐานอาหาเรปฏิกูลสัญญาพรห ม, มิหารสี่อรูปฌานสี่ประเภทนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานนะพ้นพสมาธิที่เป็นไปกับฌานสมาบัตเหล่านี้เนี่ยเป็น โลกิยะ <Log> และก็สมาธิที่เป็นโลกุตระสมาธิที่เป็นมักคสมาธิและผลสมาธิด้วยอันพระองค์นี่มีปัญญาที่จะ ก, กำหนดเรื่องราวเหล่านี้เปิดเผยแสดงสั่งสอนเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างละเอียดละอีท้วนตามเหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายและพระองค์นั้นมีปัญญากำหนดปัญญาขันนะปัญญาขันก็คือกองแห่งปัญญาที่มีคุณมาก ขันปัญญาขันที่เราองทรงแสดงก็คือปัญญานั้นต้องเป็นไปกับกรรมสกตาปัญญาเป็นต้นไปปัญญาที่เป็นไปกับขันธาตุอายตนะนั่นแหละแล้วปัญญานั้นที่เป็นโลกิยะก็มีปัญญาที่เป็นโลกุ ต, ตระก็มีปัญญาที่เป็นไปกับมรรคจิตผลจิตก็มีและวิมุตติขันวิมุตติขันก็คือมรรควิมุติผลนั่นแหละมรรคผลนิพพานนั่นแหละและวิมุตติญาณทัศน์ขันก็คือ ปัจเจเวขณาญาณปัจเจเวขณาญาณทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบเก้าอันนะยี่สิบย่อนหนึ่งยี่สิบย่อนหนึ่งก็คือสิบเก้าคือของพระโสดาบันมีห้าพระโสดาบันนั้นจะมีปัจเจเวขณาญาณหคือพิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังไม่ในละคือกิเลสที่ยังอยู่ พิจารณามรรคพิจารณาผลและพิจารณานิพพานนี้พิจารณา5อย่างปัจเจกแปลว่าพิจารณาญาณที่พิจารณา5อย่างนี้เรียกว่าปัจเจกขณะญาณพระโสดาบันหนะพระสกทาคามีอีก5พระอนาคามีอีก5พระอรหันต์อีก4พระอรหันต์นี้ไม่พิจารณากิเลสที่ยังเหลือเพราะท่านละได้หมดแล้วอันพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลและพิจารณานิพพาน นนะก็เลยเป็น19พระโสดาบันหสกัาคามีห้าพระนาคามีห้าพระรัต์สเป็น19บนั้นพระองค์ก็มีวิมุตติญาณลักษณขันที่จารณาทั้งของพระองค์เองด้วยนะพระองค์เนี่ยเก่งมากนะทีจารณาของคนอื่นด้วยรู้หมดแหละฉั้นปัญญามากเพราะว่าพระองค์นี่กำหนดฐานะและอาฐานะ กําหนดฐานะอาถรณะอย่างไรเช่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่บุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐิจะพึงเข้าถึงหรือว่ายึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงอันนี้ไม่ใช่ฐานะอันญานที่กําหนดฐานะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าฐานาฐานายานที่กําหนดฐานะฐานะแปลว่าเหตุหรือปัจจัยอาถรณะก็คือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยนั่นเอง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 เร็วนะพระพุทธเจ้าจริงๆเข้าสมาบัตรเร็วมากเลยนะสมมติถ้าหากว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นะคนแสดงธรรมจบปุ๊บคนเตรียมจะสาทู่พระองค์เข้าพระสมาบัตรปุ๊บเสร็จแล้วเขาสาทู่จบออกจากพระสมาบัตรสนทนาต่อพระองค์ไม่ได้อยู่ฟังอะเร็วมากเลยในความชํานาญของพระผู้มีพระภาคพระองค์นี่เป็นธรรมราชามีความคล่องแคล่วในเรื่องของสมาบัตรสมาธิในเรื่องของการแสดงยักย้ายยังไงจึงจะเหมาะสมเนี่ยพระองค์นี่รู้หมดเลยและ อริยสัจนะอริยสัจนี้พระองค์มีสามารถมีปัญญากว้างขวางในการพิจารณาอริยสัจอริยสัจนี้ก็คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุกเป็นฉนยัยทุกเป็นฉนัยทุก์ได้แก่ชาติตุกนะชราทุกขนะพญาทีทุกมรณะทุกข์ โศกปริเทวะทุกขโทมานอุปายาทุกทุกเกิดจากการพลากจากของรักทุกข์ที่เกิดจากประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักทุกขที่เกิดจากความไม่สมปรารถนาทุกเกิดพยาสนะคือญาติทั้งหลายเสียหายเป็นต้นในพวกนี้ก็เป็นทุกนะถ้าจะว่าทุกให้มันเยอะไปมันก็เยอะอะทุกอ่ะ ใช่ไหมจากคูโรโครโซตาโรโครทุกหมดแหละไหมแผ่นดินไหวยังทุกเลย <c oughs> อันนั้นมีทุกอีกอย่างหนึ่งโดยย่อความทุกทั้งหมดแล้วสรุปสรุปสังคีตเตเนี่ยสังคิตะแปล ว, ว่ายอ่อย่อแล้วก็คืออุปาทานทันหานั่นแหละเป็นตัวทุกหูได้ยินเสียงก็ทุ ก, ท, กออนะทุกเพราะไรนะทุกเพราะ อ, อยู่สภาพเดิมไม่ได้มีแล้วก็ก็หมดไปเพราะฉะนั้นเป็นญาที่สามารถอย่างถึงทุกขาริยศาสตร์สมุทัยอริยาศสตร์นิโรธอริยศาสตร์และก็นิโรธาคามินีปฏิปทาอริยศาสตร์ในเรื่องของอริยศาสตร์เนี่ยนะมันมีรายละเอียดมากไปจะกล่าวต่อไปอีกในเรื่องของสติปทานสติปทานนั้นก็คือสติที่เป็นไปในกาย สติที่เป็นไปในเวทนาในจิตในธรรมะตัวสติกับฐานของสตินี่คนละอย่างฐานของสติได้แก่กายเวทนาจิตหรือธรรมะสติก็คือเป็นกุศลธรรมถ้าหากว่าเป็นของอปุถุชนทั่วไปหรือของพระเสขะบุคคลแต่ถ้าของเป็นพระอารหันตก็เป็นมหมากิริยาสติที่เป็นไปกับกิริยาฐานสติตัวนี้เนี่ยระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมหรือ ที่ขันห้านั่นแหละอันองค์ประกอบของการเจริญสติประทานมีอะไรบ้างอาตาปีสัมปชา น, นสติมานะต้องมีสติ น, นอะอ่องค์แห่งการละมีกี่อย่างอ่ายกตรงๆเลยก็สองอย่างคือละอภิชาและโทมนัสในโลกนั่นแหละและต่อไปนะสัมมประธานสัมมประธานสสัมมาประธานสี่ก็คือ นะเพียรเพื่อละเพียรเพื่อระวังไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลแล้วก็เพียรพ่อภูมกุศล ต, ต, ต่อไปอีกแล้วอิทธิบาทรสนะี่นะฉันทะวิรยิยะจิตตะและวิมังสาชื่อนี้คล่องเลย <c oughs> อิทธิบาทรนี่เข้าใจยากที่สุดเลยในธรรมะ ท, ท, ที่ที่ศึกษาศึกษาเนี่ยอิทธิบาทเนี่อ่านแล้วเข้าใจยาก ของอาตมานะคนอื่นอาจจะมีบุญต่อไปพระพระมีห้าหนึ่งศรัทธาพระพระแปลว่าไม่หวั่นไหวนะความไม่หวั่นไหวคือศรัทธาสัทธาวันไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาวิริยะพระวิริยะแปลว่าความเพียรวิริยะพระคือไม่หวั่นไหวต่อความเกียดคร้าน สติพระไม่หวนไหวต่อความประมาทหรือไม่ตั้งมั่นสมาธิพระไม่หวนไหวต่อความคุ้งคลานปัญญาพระคือไม่หวนไหวต่ออวิชชามันคําว่าพระแปลว่าไม่หวนไหวนะไม่หวนไหวต่อปฏิปักษธรรมนะปฏิปักษธรรม5อย่างนะคือ 1. ความไม่มีศรัทธา 2. ความเกลียดคร้าน 3. ความไม่ตั้งมั่น4ี่ความคุ้งคลาน ห้าอาวิชาพละห้าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่หวนไว้ในธรรมะหอย่างเหล่านั้นโทษชงก็คืออ ง, องคุณหรือองคธรรมะที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้หรือบุคคลผู้ตรัสรู้นั้นจะต้องมีโทษชงเหมือนนเดเป็นองค์ที่ทำให้บุคคล น, นั้นตรัสรู้ได้ถ้าไม่มีองเจตนี้บุคคล น, นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้นะหรือธรรมะสามคี ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้นั่นแหละเรียกว่าโทชชงมีอยู่เจดอย่างโทษชงโคสติสั่งฆ่าโตธรรมานังวิจโยตธานั่นแหละหนึ่ง ส, สติสามโทษชงสองธรรมะวิจยะสามโทษชงสามวิริยะสามโทษชงสี่ปีติสามโทชชงห้าปัสสติสามโทษชง อกสมาธิสามโพธทองเจดอุเบกขาสามโพชงโอ้เก่งมากเลยสาธุจําชื่อได้นี่ก็ได้ได้เยอะแล้วนะนั่นแหละนึกถึงคําว่าโพธิชงบ่บ่อยก็เป็นธรรมานุสตินะโอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุโพธิชงนะท่านเป็นพระอาหารหันต์นี่ได้ข้อไหนเะห้เป็นธรรมานุสติก็ได้เป็นพุทธานุสติก็ได้ต่อไปอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนะปัญญาที่กําหนดอริยมรรคมีองค์แปดอะ ปัญญาอริยมมากประกอบด้วยองค์8เกิดร่วมกับมร์กี่ดวงอ่าสี่ดวงคือโสดาปฏิมร์อย่างหนึง่งสกะทาคามิมร์อย่างหนึง่งอนาคามิมร์อย่างหนึง่งและก็อรหัตตมร์อีกอย่างหนึง่งอารยมร์อันประกอบด้วยองค์แปนี่นะดับแรกก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้ฟังบ่อยแล้วทีนี้ต่อไปสามัญญผลอารยามร์ อริยสามัญญผลก็ได้แก่ผลจิต4ี่อย่างผลจิตสี่ก็คือโสดาปฏิผลจิตสกทาคามีผลจิตอนาคามีผลจิตและอรหัตตผลจิตนะสามัญญผลนะเป็นผลสามัญเป็นพรหมัญญผลเป็นผลที่ที่สูงสุดสำหรับพระพุทธศาสนาคืออรหัตตผลนะผลอันนี้นี่ ก็บอกว่าภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ยิมได้เลยต้องสมบูรณ์นะสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ยิมในอรหัตผลได้แต่ถ้ากระพองกระแพงก็ก็ทําให้มันบริบูรณ์ท่านมันก็จะได้หวังหน้าใช่ไหมต่อไปอภิญญาอภินญ า, า, านี้เป็นชื่อของความรู้ยิ่งอภิญญามีหกอยาก่อางอินญาหกก็คือหนึ่งอินญาคือ แสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิทะเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้ 2. หูทิปอ่ะหูทิปก็เป็นอภิญยาอย่างหนึ่งเหมือนกัน 3. ลระลึกชาติได้ 4. รู้วาระจิตอ่ น, นะรู้วาระจิตรู้จูตูปปาตายานรู้สัตว์เกิดสัต์ตายและอาสวะขยายานทำอาสวะทำบาปทำอากุศลให้หมดไปนี่เรียกว่า ปัญญานะความรู้ยิ่งและนิพพานนิพพานนิพพานเนีน่ยวันนี้วานะปราศจากตัณหาหรือว่าดับตัณหาได้โดยไม่มีเชือ้อนะั้นพระองค์มีมหาปัญญาที่กำหนดคุณทั้งหมดเหล่านี้ได้กำหนดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะฐานะอาฐานะ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 อาวพระปุชนเนี่ยหนาะด้วยกิเลสตัณหาอาสวะใช่ไหมหนาะด้วยทุจริตโอ้กิเลสต่างๆมากมายแต่ถ้ามีปัญญาหนาะจะเป็นยังไงเรียออกว่าปูทูปัญญาปูถูปัญญาก็คือญาณย่อมเป็นไปในขันต่างๆเนี่ยมากขันนี่มากไหมมากนะขันนี่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปอติตาณาะขตัป จ, จุันังอจตังวาปัญญาวาุลาริกรังวัสกุมังวา คือรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตไกลใกล้นั่นแหละเยอะนะสิบเอ็ดข้ อ, ขอแล้วรูปมีเท่าไหร่สี่สิบแปดเหรออ๋อยี่แปดนะนะโหไม่ดีลว <c oughs> แสดงว่าโส ต, ตินตรีมีปัญหาแล้วงั้น <c oughs> นั่นแหละ รูปมียี่สิบแปดในหนึ่งคนมีกี่รูปนี่ hey, ถ้าคนที่ไม่ถึงยี่บเจ็ดจะว่าไงมีไหมคนมีรูปไม่ถึงย7ิบเจ็ดมีไหมมีไม่มีภาวะรูปก็ไม่ถึงย7ิบเจ็ดจะคูภาษาท่าบอด ก, ก็ลดลงไปอีกนะออหูหนวกก็ลดลงไปอีกคานาราสาเสียก็ลดลงไปอีกก็ลดไปตามนั้นาเพศไม่มีก็ลดไปตามนั้นอีกนั่นแหละอันนี้เป็นภาว ะ, ะรูปในรูปเหล่านี้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 การมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุการมาอ่ากามาธาตุพยาปาทาธาตุและอะไรเน่คัมมาธาตุอพยาบาทาตุธาตุอวิหิงสาธาตุพวกนี้ก็ธาตุเคยได้ยินธาตุสี่นะปัทวีอาโปเตโชวาโยอันนี้ก็ธาตุเคยได้ยินธาตุหกเอนะธาตุหก็คืออะไรปัทวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุ แล้วอากาศสัทธาและวิญญาณธาตุแล้วมีธาตุอีกเอาเอาแบบธาติบแปดเลยนะเยอะๆหน่อยธาตุสิแปดคือจักรคูธาตุสีสีคือรูปประธาตุจิตเห็นเป็นจักรครูวิญญาณธาตุหูเป็นโสตธาตุเสียงดังๆเนี่ยเป็นสัทธาาตุจิตได้ยินเสียงเป็นโสตวิญญาณธาตุจมูกเป็นคาราธาตุกลิ่น ไม่เป็นบัตรไม่เคยได้กลิ่นเลยนะกลิ่นเป็นคันธาตุชิวหาอาคาระวิญญาณเนี่ยเป็นคารนวะิญญาณธาตุลิ้นเป็นชิวหาธาตุแผ่นลิ้นหรือชิวหาภาษาธาชิวหาภาษาทานะตัวแผ่นลิ้นทั้ ง, งแผ่นนะั่นเป็นกายาภาษาทาตอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าตัวชิวหาภาษาทะความสายที่สามารถรับรสได้เป็นชิวหาธาตุชิวหาธาตุ รสะธาตุรสก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันและชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธะพระธาตุและกายวิญญาธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุสัมปติชนะจิตสองดวงปัญจาทวารวัชนะจิตอีกหนึ่งดวงเรียกว่ามโนธาตุธรรมธาตุโอธรรมธาตุเช่นธรรมธาตุนะ เป็นรูปเนี่ยเยอะเลยนะรูปที่เป็นธรรมธาตุได้แก่อโปธาตุอโปธาตุนี่ยหนึ่งสองโอชาชีวิตรูปาวะรูปลักษณารูปวิการรูปอ่ะพวกนี้เป็นธรรมธาตุจิตจิตเป็นจิตเป็นอะไร จิตบางอย่างเป็นมโนธาตุจิตบางอย่างเป็นมโนวิญญาณธาตุส่วนเจตสิกเป็นธรรมธาตุนิพพานเป็นธาตุไหมเป็นธรรมธาตุโอมีแต่ธาตุเลยนะมีแต่ธาตุใช่ไหมศาสตร์บุคคลไม่มีเลยก็อาศัยธาตุนั่นแหละประชุมประชุมกันเลยเรียกว่าเป็นศาสตร์เป็นบุคคลจนกลายเป็นจะไม่มีธาตุจนไม่รู้อะไรอีกก็ไม่ใช่นั่นแหละก็ต้องรู้ทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละ ปัญญาที่สา ม, มารถที่จะรู้ธาตุมากๆทั้งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาหนาแน่นเกิดปัญญามากเหมือนกันเถอะปัญญาหนารู้สา ม, มารถที่จะรู้ธาตุต่างๆเหล่านี้ได้นะและที่สา ม, มารถที่จะรู้อายตนะต่างๆได้มากที่รู้อายตนะต่างๆอายตนะมีทั้งหมดสิบสองอย่างอายตนะคือตา จากขาอยตนาอเยตนาคือสีอเยตนาคือหูอเยตนาคือเสียงอเยตนาคือจมูกอเยตนาคือกลิ่นอเยตนาคือเลนอเยตนาคือรถอเยตนาคือกายอเยตนาคือโพธาภะอเยตนาคือใจอเยตนาคือธรรมะต่างๆนั่นแหละก็คืออเยตนา12นั่นแหละเป็นที่ต่อแห่งสังสารทุกขอันยืดยาว